น้อบน้อ ม, อมต่อคุณพระรัตนตรัยขกาสพระอาจารย์ทรงศิลปเพื่อนธรรมิทุกท่านจเจริยนทำแม่ทีและญาติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เก็บประดมนะปบัติธรรมเข้มกันสี่สิบวันเนาะก็เป็นช่วงที่ว่าได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงนี้นะเป็นกําลัง นะคือต่างคนต่างก็เป็นกำลังของกันและกันนะพรการปฏิบัติรร่วมกันนี้ก็ได้กาลังที่ว่าเออในเมื่อเราอยู่ร่วมกันแล้วถ้าคนส่วนใหญ่สามารถไปฏิบัติธรรมได้นะเราก็สามารถที่จะไปฏิบัติร่วมกับเขาได้นะบางทีเราอาจจะรู้สึกท้อถอยแต่เมื่อเราเห็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆเขากออ็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมกัน เราก็มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเนะแต่ถ้าเราปฏิบัติคนเดียวเราจะรู้สึกว่าบางทีมันก็อาจจะเบื่อนายนะรู้สึกว่ามันเวลาช่างผ่านไปช้านะแล้วก็อ่าไม่มีเหนะมือนกับว่าเราจะรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวเพราะงั้นะการปฏิบัติธรรมเป็นหมูนี่ก็เหมือนกับนักวิ่งมาราธอนนะอ่านะวิ่งไปเป็นกลุ่มๆด้วยกันนะ จะรู้สึกก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะบางทีก็สนุกขนาดในการวิ่งนะแต่ถ้าวิ่งคนเดียวก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็เบื่อนะอันนี้ก็ถือเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนะเพราะฉะนั้นวิ่งถ้าใครอที่เรียกว่ามีความขยันขันแข็งมากบางทีใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกับคนที่ขยันมากเราก็กลายเป็นคน ข, น ข, นขยันไปด้วยนะบางทีเราเดินไปชั่วโมงแล้วโอ้คนนั้นก็เดินมากกว่าเราตั้งเยอะนะ เดินได้ตั้งสองสามชั่วโมงเนี่ยเราก็มีกําลังใจนะในการไปบัตดได้มากขึ้นเนี่ยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะเราก็เลยมาชุมนุมร่วมกันนะซึ่งสี่สิบวันก็เป็นเวลาที่นานพอสมควรนะอ่านิการมาบัดเจริญตินี่ก็ต้องใช้เวลาต่อเนื่องพอสมควรนั่นเองนะการที่เราใช้เวลาต่อเนื่องมันก็จะได้อ่าเกิดอความรู้สึกตัวที่มัน สามารถที่จะรู้สึกตัวได้เองนะโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งใจมากเหมือนสมัยก่อนนะบางทีเราอ่ไปบัดเจ็ดวันนะบางทีพอเราเริ่มจะรู้สึกตัวแล้วก็กลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วความรู้สึกตัวที่เราสะสมมาเจ็ดวันมันก็หายไปแก็คือมันไม่ต่อเนื่องนะคราวนี้เรามีเวลามากขึ้นแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนี่แหละจะได้อ่าเหมือนกับว่าให้จิตมันเกินความเคยชินนะในการที่จะกลับมารู้กาย จิตที่กลับมารู้กายบ่อยๆรู้กายบ่อยๆเขาก็มีฐานให้อยู่นะเมื่อก่อนเขาก็ล่องลอยไปเขาก็คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> พอให้เขากลับมารู้ที่กายบ่อยๆรู้การเคลื่อนไหวไบ่อยๆการยืนเดินนั่งนอ น, นการเคลื่อนมือต่างๆในเมื่อเขากลับมารู้บ่อยๆเขาก็จะเกิดความเคยชินที่จะกลับมารับรู้ได้มากขึ้นนะก <c oughs> ็เป็นการสร้างสมความเคยชิน สร้าง ส, สมจากที่ว่าเป็นความเคยชินกลับมาเป็นความรู้สึกตัวนะเพราะมื่อก่อนเราก็ทำต่างๆด้วยความเคยชินนั่นแหละนะเราแปลงฟันก็แปลงด้วยความเคยชินมีความเคยชินในการแปลงแปลงไปก็คิดไปแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็กลับมาเออเปลี่ยนจากความเคยชินนะเป็นความรู้สึกตัวแทนการเ ด, ดินเหมนกันเมื่อก่อนเราก็คือเดินด้วยความเคยชินนั่นเองนะเคยชิน คือคนเราเนี่ยมันเคยชิน่นเด็กๆแล้วนะสมัยเด็กๆแล้วก็เดินไปอยูแล้วนะมันก็ผ่านมาแล้วก็มีความเคยชินในการเดินนะแต่เราก็ไม่รู้เรากว่าขณะนี้กําลังเดินนะแต่มันเดินด้วยความเคยชินก็เปลี่ยนความเคยชินมาเป็นความรู้สึกตัวอาบน้ํากับมันการเมื่อก่อนเราอาบน้ําด้วยความเคยชินอ่าบางทีเราไม่ต้องคิดเราอาบน้ํานี่มันเป็นความเคยชินแน่นอนอ่าถูตะปูแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยถูตรงไหนมันถูด้วยความเคยชินทั้งนั้นนะอ่า เอาน้ำล่าตัวก็ล่าด้วยความเคยชินทุกอย่างเป็นความเคยชินหมดเลยนะนะครั้นี้ก็เปลี่ยนความเคยชินมาเป็นความรู้สึกตัวเท่านั้นเองเนาะอ่เวลาทานอาหารเราก็ทานด้วยความเคยชินนะอ่าปากอาหารเข้าตากปุ๊ไม่ต้องสั่งให้ปากเคี้ยวมันก็เคี้ยวใหญ่เลยนะเคี้ยวตัวแล้วมันก็กลืนโดยอัตโนมัติเลยนะอันนั้นก็จะเป็นความเคยชินก็เปลี่ยนความเคยชินมาเป็นความรู้สึกตัวเอขณะนี้กําลังทานอาหารอ่าลังเคี้ยวในก็รู้ทันนะ แล้วก็มีการกลืนแล้วก็สามารถรู้ได้อีกนะนะบางทีรสชาติอร่อยเราก็รู้เออร่อยแล้วก็ชอบใจก็รู้ทันรู้ไม่อร่อยไม่ชอบใจเราก็รู้ทันเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาจากความเคยชินมาเป็นความรู้ได้เป็นตัวรู้นะความเคยชินนั้นอาจจะเรื่อย่างนั้นเป็นความหลงก็ได้นะความหลงก็เพราะความเคยชินนั้นพอเราทำไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่าเราไม่รู้นั่นเองนะ อบางทีเราสามารถที่จะทําอะไรด้วยความเคยชินตลอดเวลาเลยนะทำได้ทุกอย่างเราไม่รู้อะไรเลยทั้งสิน้นมันก็ทํามันไ ป, ไปเรื่อยๆนะ่ะแม้แต่มันเคนที่ขับรถเก่งๆนะอขับได้เก่งๆก็ขับด้วยความเคยชินก็มีอขับไปขับไปอ่าบางทีเราตั้งใจว่าอ่าเพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยแต่ยังไม่เข้าบ้านหรอกแต่เราจะเลี้ยวซ้ายไปหาเพื่อนอ่าแต่พอเราขับไปปุ๊บอ่าเจอสามแยกไปเราก็ลืมไปแล้วก็ขับกลับบ้านเฉยเลยนะ อันนี้เป็นความเคยชินที่เราจะกลับบ้านนั่นเองนะแต่เราก็ลืมไปความจริงเราจะเลี้ยวไปหาเพื่อนแท้เลยก็กลับบ้านบ้านแล้วอะนนี้เป็นความเคยชินไปนะการขับรถเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเราเหยียบอคันเร่งอ่าหรือเหยียบเบรกเหยียบคัสต์เปลี่ยนเกียร์อะไรมันเป็นความเคยชินหมดเลยนะเนี่ยมันก็เรียกว่าชีวิตประจําวันเราก็คือมีความเคยชินทั้งทั้งสิ้นนั่นแหละนะ อันนี้เราก็เปลี่ยนทิพประจำวันเรามาเป็นความรู้สึกตัวนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกปฏิบัติทำหรือเจริญสติก็คือเปลี่ยนความเคยชินมาเป็นความรู้สึกตัวนั่นเองนะคราวนี้เราก็กลังทําให้ต่อเนื่องกันทักระยะหนึ่งนะมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนความเคยชินนั้เป็นความรู้สึกตัวได้ถาวรขึ้นพอสมควร น, นะมันก็จะได้เราจะได้รู้ว่าเออขณะนี้ <c oughs> มันรู้แล้วออปัจจุบันนี้เรากลาลังทําอะไรอยู่มันเริ่มทรู้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะทําให้เรา เมื่อมีตัวรู้เกิดขึ้นมันก็เรียกว่าอยู่ในปัจจุบันธรรมนะเมื่อมีปัจจุบันธรรมปุ๊บเนี่ยเกาเรียกว่าปัจจุบันธรรมนี่เป็นสิ่งที่มันเล็กน้อยมันไม่ได้เป็นเรื่องอใหญ่โตนะปัจจุบันนี้เรากาลังทำอะไรอยู่ก็คือรู้ในตรงนั้นนั่นเองนะอ่ากำลังยกมือก็รู้ว่ายกมือนี่แหละรู้อาการที่มันเคลื่อนไหวบุบไหวไปอ่ามันเคลื่อนมันไหวนะมันมีการบูบไหวอ่ามีการเคลื่อนการหยุด ต่างๆเนี่ยมันรู้แค่นี้เท่า น, นั้นเองปัจจุบันมันไม่ได้รู้เยอะอะไรเลยนะมันไม่ต้องใช้ความคิดต่างๆนะอ่ามันต้องใช้ความคิดอะไรทั้งสิ้นเลยมันก็เป็นการรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะเป็นศักแต่ว่ารู้มันไม่ต้องไปคิดอะไรนะรู้เฉยๆอนะ่เดินก็สักแต่ว่าเดินนั่นแหละเดินไปเรื่อยๆ tım. เปลี่ยนจากหลงเป็นรู้เท่านั้นเองนะอ่านะมันก็ดูาการเคลื่อนไหวของเท้าหรือเท้ากระทบพื้นนะรู้ รู้แค่ปัจจุบันเป็นการรู้ที่สั้นๆรู้เล็กๆอแต่รู้ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะมันเป็นการที่เราเราไม่ได้องไปรู้อะไรเยอะรู้สั้นๆอแค่นั้นเองนะเพราะอาการปับันจริงๆมันก็มีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองมันไม่ได้เยอะอะไรมันก็แระคับพิษตาเนี่ก็แป๊บเดียวก็จบแล้วนะอปากก็แป๊บเดียวมันเป็นการรู้สั้นๆไม่ได้รู้ยาวเนี่ยมันพอเรารู้ไปงี้มันก็ค่อยๆรู้สักตัวได้มากขึ้นนะไม่ต้องไปคิดรู้เอ่อคิดรู้เอา อันนั้นมันเรียกว่าเราหลงกับเป็นในความคิดแล้วอแต่ปัจจุบันนี้อะไรกาลังทําอยู่ก็รู้ในตรงนั้นนั่นแหละอเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เป็นเป็นความรู้ในปัจจุบันเท่านั้นเองนะอ่าเพราะเราอยู่กับฐานจิตไปบ่อยๆแล้วก็เริ่มเห็นความคิดแล้วอ่าความคิดไหลไปก็รู้ทันอ่าไหลไปก็รู้ทันก็กลับมาได้เร็วขึ้นนะอ่าแต่แล้วบางคนนี่ไม่รู้วิธีการก็ไปคอยบังคับให้จิตสงบก็มีอ่าให้จิตไม่ต้องคิดอะไเลย นะหรือว่าเดินไปนี่ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาเดินขึ้นชั่วโมงต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาครึ่งชั่วโมงเลยเรือยกมือขึ้นชั่วโมงนี่ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาเลยนั้นเราก็ไปบังคับเข้ามากเกินไปนะบังคับเข้ามากเกินไปเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะมันก็ไม่ค่อยสบายหรอกแต่มันก็รู้สึกมันก็มันก็ดีนะอมันก็รู้สึกตัวได้ตลอดเวลาก็ไม่เป็นไรอแต่เราก็ไปบังคับก็นิดนึงแต่แล้วเราทําสบายๆเราก็จะรู้สึกว่ามันสบายขึ้นนะ อ่าพอมันสบายขึ้นมันก็รู้มั่งไม่รู้มั่งก็ไม่เป็นไรนะพอรู้มั่งไม่รู้มั่งมันก็คือมันรู้มั่งหลงมั่งนั่นเองนะรู้มั่งหลงมั่งอ่าครั้นี้มันมันหลงปั๊บเนี่ยเรากลับมารู้นี่เราก็เออเราก็จะเริ่มเห็นความคิดแล้วเออเมื่อกี้มันหลงมานะเราก็เริ่มเออเมื่อกี้มันหลงไปแล้วเริ่มเห็นแล้วเมื่อกี้เราหลงไปนั่นก็คือเราเริ่มเห็นความคิดแล้วนะเอ่ตรงนี้มันก็กลายว่าเราก็กลับมาสามารถที่จะรู้ความคิดได้อีกอืมเราก็ไปบายบายสบายๆนี่แหละ <c oughs> เราะนั้นครูบาจารย์บอกว่าให้ทําเล่นๆแต่ทําไปเรื่อยๆนะอคำ ว, ว่าทํำไปเรื่อยๆก็คือทําให้ต่อเนื่องนั่นเองนะแต่ว่าวางใจให้สบายๆมันก็เราทําเล่นๆ น, นั่นแหละอแต่คำ ว, ว่าทําเล่นๆก็คือทำจริงๆนั่นเองนะก็คือเราก็ต้องตั้งใจทําด้วยนะไม่อยอมทําทแล้วใจลอยไปแล้วก็ใจลอยไปยาวๆนะทําแบบอัตโนมัติไปเลยยกมือสร้างจังหวะแบบอัตโนมัติไปอันนั้นก็อาจจะเป็นการเล่นมากเกินไป แต่ก็ต้อมีเจตนาในการเคลื่อนด้วยเคลื่อนก็ดูหยุดก็ดูดูตสบายๆเนี่ยก็เรียกว่าทําเล่นๆนะไม่ต้องว่าเออไม่ต้องรู้ยาวๆนะรู้ทีเดียวคึ้นชั่วโมงเลยนั่นเออเอาจริงอาจั่นเกินไปนะทำเดนปะเดี๋ยวก็เบื่อแล้วนะตั้งใจมากเดี๋ยวก็เบื่อครั้งนี้พอเราทําแล้วมันพอเบื่อเข้ามาปุ๊บมันก็อยากจะเปลี่ยนละออพออยู่ใกล้ที่นอนก็ไปนอนดีกว่านะหรือไปพักผ่อนดีกว่า อันนี้ก็เรียกว่าโดนความคิดหลอกแล้วบา <c oughs> งทีเราไม่รู้ทันนะความคิดก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆ <c oughs> เลยเออวันนี้รู้สึกง่วงจังเลยนะง่วงง่วงมากนะไปนอนดีกว่านะออปอะเดี๋ยวเราตื่นแล้วเราจะประบาดให้เต็มที่เลยอันนี้ก็เราโดนความคิดหลอกแล้วนะก็ต้องรู้ทันเนอะตอนนี้ความคิดจะมาหลอกแล้วนะพราะเรารู้ว่าความคิดหลอกเขาก็หลอกเราไม่ได้ใช่ แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาหลอกเราน่ะเราก็โดนเขาหลอกก็คือพาไปนอนนั่นเองนะเนี่ยก็ต้องรู้ทันเออความคิดมันจะหลอกเราไปไหนะหรือหลอกว่าเออพักดีกว่านะทำมานานแล้วพักดีกว่าอถ้าเราเราทํามานานจริงแล้วก็พักได้แต่ถ้าเราต้องรู้ว่ามันหลอกเราจริงหรือเปล่านะอ่าบางทีมันมันเบื่อเท่านั้นเองมันก็หลอกเราพักแล้วก็มีนะเราก็ต้องรู้ทันอ่าจะได้ไม่โดนความคิดหลอกอ่หรือบางทีอ่อทำมาตั้งมันเหงาแนะอยากจะพูดละเกิน อยากจะคุยแล้วเกินมันเหงาอ่ารู้สึกอยากพูดก็เลยไปตามหาเพื่อนที่พอจะรู้จักหน่อยแล้วก็เลยคุยออกับเขาเนี่ยก็โดนความคิดหลอกไปแล้วนะความคิดหลอกไปแล้วอ่าให้ไปไปคุยออกับเขานี่เสียแล้วนะเสียแลายตัวแล้วก็เสียเพื่อนก็เสียนะ <S <S บางทีเพื่อนก็าจะได้ลมเนี่ยเราไปชวนคุยในขัุดเลยนะลุนเลยนลนเลยนี่มันก็โอ้ทำํำมันก็เสียเวลาด้วยนะเราเราก็เสียเวลาด้วยมันก็ลงมาเทียนตอนทท่านฝึกใหม่ๆนั่นะแหละ หลวงพ่เทียนเปิดหมายท่านก็ไม่พยายามหนีไม่คุยกับใครนะพอดีมีเพื่อนเก่าที่มีมีบุญคุณด้วยมีบุญคุณมีบุญคุณก็ตอนแรกก็มาหาหลมก็มาคุยหลวงพเทียนก็นานนานมากเลยหลมงพเทียนก็อยากจะทำก็ไม่ได้ทำอย่างไรนะแต่ตอนหลังเพื่อนก็กลับไปตอนหลังเพื่อมาหาใหม่พอหลมงพ่เทียนเห็นเพื่อมาหาหลมพ่เียนก็เลยหลบไปที่อื่นเลย หลบไปเพื่อนมหาก็หาไม่เจอนะอันเนี้ย่าสตรวลมพระเทนั้นตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนะ่ถ้าลมพระเทียนไปเกงใจเพื่อนเนี่ยก็ต้องไปคุยกันตั้เด็กนะท่านก็น่าอาจจะเสียเวลาไปหรือจะไม่ได้มาสอนพวกเราในปัจจุบันนี้ก็ได้นะแต่ขนาดเพื่อนที่มีบุญคุณมหาท่านก็ยังหลบไปเลยนะในสุดเพื่อนก็รู้ว่าท่านหลบก็เลยไม่มารบกวนอีกแล้วนะอ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลี่ยงการพูดคุย เพราะการพูดคุยเนี่ยมันเหมือนกับว่าอ่ามันรั่วนะมันอารมณ์มันรั่วอืมถ้าคุยน้อยก็รั่วน้อยคุยเยอะก็รั่วเยอะนะแล้วมันก็คุยเยอะๆนี่รั่วหายหมดเลยนะบางทีเราไปบัตรมาต้องหลายวันแล้วเออาไปพูดคุยกับคนเนี่ยบางทีมันหลุดไปได้ง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่พูดคุยเนี่ยก็ดีนะเป็นจะได้เห็นความคิดได้เร็วขึ้นนะเพราะบันที่เราอยากไปพูดเขาเนี่ยอ่าอยากจะไปพูดเขาอ่า ถ้าเราไปปุ๊บเราไปพูดเลยเนี่ยเราก็ไม่เห็นความที่เราอยากจะพูดหรอกแต่ถ้าเราอยากจะพูดแต่เราพูดไม่ได้นี่ก็เลิกเห็นเอคําพูดมันอยู่ในใจแล้วเออบางทีจะเห็นเลยว่าเรากำลังจะพูดอะไรกับเขาด้วยนะจะเห็นเห็นความคิดเอเราจะพูดอะไรกับเขานะเมื่อก่อนเราพูดไปปั๊บแล้ไม่เห็นหรอกแต่พอเราไม่ได้พูดแล้วเราเริ่มเห็นความคิดแล้วนะรู้เราอยากไปถามใครนะเมื่อก่อนเราถามปั๊บเราก็ไม่รู้ว่าเราอยากจะถามแล้วก็ไม่เห็นคําถามในใจเรา แต่พอเราอยากกะถามแล้วเราถามไม่ได้เราก็เริ่มเห็นคําถามแล้วเออเราอยากจะถามนะเห็นความอยากถามเกิดขึ้นเห็นคําถามแล้วนั้นเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราก็เริ่มเห็นความคิดแล้วนะอ่าคราวนี้พอเราไม่พูดเนี่ยเราจะเห็นเออในใจมันคิดเก่งยังเลยนะมันคิดนู่นคิดนี่มันพูดของมันเองตลอดเวลาเราก็เริ่มเห็นเออความคิดกนเกิดขึ้นในใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วนะอ่านั่นแหละอันนี้มันก็เริ่มเห็นความคิดแล้วนะ แต่เราก็ไม่ได้ไปช่วยเขาคิดต่อนะเพราะเราเห็นความคิดก็ไม่เป็นไรเขาคิดก็ของเขาเองก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้อยากคิดแต่ความคิดก็ทํางานเองก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมารู้สึกตัวใหม่อคิดไปก็ไม่เป็นไรกลับมารู้สึกตัวเขาก็หาย ไ, ไปเองนะอ่าบางทีเราคิดน่ะต้องหลายเรื่องแล้วไม่รู้หรอกคิดถึงตอนนี้ทางบ้านกําลังทําอะไรอยู่นะอืมคิดทางบ้านใส่ก็ไปคิดถึงเพื่อนนี่ตอนนี้เพื่อนกําลังอยู่ที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนกัๆๆๆน นะแล้วคิดเพิ่งยากพี่น้องคิดไปเรื่อยๆมันก็มันรู้ว่ากําลังคิดเรื่องอะไรแต่ว่าความคิดมันไม่หยุดหรอกแต่พอเรากลับมารู้ว่าดนี้กำลังคิดนะพอลูกขนานี้กำลังคิดปุ๊บไม่ต้องรู้ว่าคิดเรื่องอะไรความคิดก็จะหยุดเลยนะหยุดเลยเนี่ยพราะเราเรามีกําลังในการเห็นความคิดแล้วนะความคิดก็หยุดได้นะตรงนี้มันก็จิตก็มีกําลังขึ้นมาในการที่สามารถเห็นความคิดได้ นะแต่เราก็ไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาที่อคอยดูความคิดแล้วก็รู้สึกตัวนั่นแหละแต่เราก็สามารถเห็นความคิดได้เองนะเราก็จะเห็นความคิดได้บ่อยขึ้นทีขึ้นนะมันที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าอย่าไปห้ามความคิดนะอ่ะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นั่นเองนะเราคิดลอยครั้งรู้สักเจ็ดสิบแปดสิบครั้งนี่ก็ถือว่าเราได้พนานเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทนบอกยิ่งคิดยิ่งรู้ก็ไม่เป็นไรเขาคิดอยากคิดก็คิดไปแต่เราก็รู้ไหมเท่านั้นเองนะ เรารู้เราก็ได้คะแนน <c oughs> เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องโทษตัวเอ้เราเองก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นะเข้าคิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนะอันนี้เราก็จะเริ่มอ่สังเกตความคิดได้ง่ายขึ้นนะเนะี่ยพอเราสังเกตความคิดเป็นแล้วเห็นความคิดได้นะออีกหน้อยเราจะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ได้เร็วได้ชัดขึ้นนะเพราะอารมณ์ต่างๆก็เกิดจากความคิดนั่นเองนะความคิดนี่มันมันเกิดการปรุงแต่งต่อนะบางทีตาเห็นรูปแล้วเนี่ยเห็นรูป ถ้าเราเห็นคนที่เราอา่าสนิทสนมมาก่อนนะหรือเราเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนเราก็จะเกิดความชอบใจในตรงนั้นขึ้นมานะเราก็จะเริ่มเห็นความชอบใจในตรงนั้นขึ้นมาได้นะเพราะว่ามันเริ่มปรุงแต่งจากการที่ตาเห็นรูปนั่นแหละหรืออ่ามันเห็นคนที่เราไม่ชอบนะเมื <aproximadamente> ่อก่อนเราเห็นปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ชอบแต่เราก็ไม่รู้ว่าขณะนี้เรากําลังไม่ชอบนะแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ชอบ แต่เมื่อเรารู pocket, right? <The> ้เห็นรู้รู้ทันความคิดเราจะรู้ว่าขนาดนี้กำลังไม่ชอบแล้วนะความไม่ชอบเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนะเนี่ยเราก็คือเราเริ่มเห็นความคิดแล้วเราก็ไม่หลงเข้าไปในการที่เราจะไปเกลียดเขาจะไปโกรธเขาเพราเราเห็นความไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วนะความพอใจไม่ไม่พอใจเราจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะเราก็ไม่หลงเข้าไปในความพอใจไม่พอใจเหล่านั้นนะมอก่อนคนเข้ามาด่าเรานะด่าเราเราก็โกรธโกรธมากเลย อาบางทีเราจะด่าเขากลับก็มีนะอ่าหรือทําอะไรบางอย่างไปชดไปชันเขานะแต่ตอนหลังนี่เราจะเริ่มเห็นเออเขามาด่าเราปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วเามื่อก่อนเราเคยโกรธนะแต่ตอนนี้เรารู้ว่าว่าเรากําลังจะเริ่มโกรธแล้วนะกําลั ง, งหงุดหงิดกำลังขัดเคืองกําลังไม่พอใจอ่าพอเรากลับมาเห็นเออขณะนี้กําลังหงุดหงิดแล้วนะกาลังขัดเคืองนะความงาหงุดหงิดความขัดเคืองก็เลยน้อยลงนะเลอจะดับไปเลยนะมันก็ไม่เข้าถึงความโกรธแล้วนะ เพราะว่าเราเราเริ่มเห็นความคิดได้ง่ายขึ้นมันจะเห็นความปรุงแต่งที่ตามมาจากความคิดนั่นแหละมันจะตามมาทุกๆอย่างน ะ, ะตามมาทุกอย่างเลยมาจากความคิดทั้งนั้นความพอใจไม่พอใจความรักความชางังอารมณ์ทั้งหลายก็เกิดจากความคิดเท่านั้นพอเรารู้ไม่ทันก็ได้ปรุงแต่งต่อนะจากการกระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสร่างกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งใจเนื่อคิดนั่นแหละ อ่าอายตนะทั้ง6นี้ก็ไปเมื่อเกิดผัสสะเกิดขึ้นมาก็ทําให้เกิดเวทนาเวทนาก็คือทุกเวทนาก็คือความไม่พอใจสุขเวทนาคือความพอใจหรืออทุกขมาสุขเวทนาก็คือความเฉยเฉยเราก็รู้ทันอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้พอเรารู้ทันปั๊บก็เป็นไงมันก็ดับนะพอมันดับมันก็ไม่มีตัณหาไม่มีเมื่อตัณหามีก็ไม่มีอุปทานเมื่อไม่มีอุปทานก็ไม่มีภพเมื่อไม่มีภ พ, พก็ไม่มีชาติ เม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีชาติก็ไม่มีความทุกข์ตามมาเนาะมันก็เป็นการตัดบ่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทไปเนี่ยพราะเรารู้ทันอนะ่รู้ทันอารมณ์ต่างๆได้ไวนั่นเองนะอ่าตรงนี้ก็เป็นกําลังสําคัญในการเี่เรบ้าทำให้เราเหนี่ยความทุกข์เราน้อยลงนะจากการเราเห็นความคิดเนะี่ยความทุกข์จะน้อยลงนะแต่ละใครอ่าไม่ไม่เห็นความคิดนี่ก็จะเข้าไปในความคิดได้ง่ายและความคิดนั้นก็จะทําให้เรามีความทุกข์จากความคิดนั่นแหละ อาจจะไหลเข้าไปในอดีตเป็นไปลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆออกมาเยอะแยะนะเป็นลื้อฝอยหาตะเข็บบางทีเรื่องต่างๆผ่านมรื่องหลายปีก็ไปลื้อขึ้นมาน่ยบางคนปฏิบัติธรรมนี่มันลื้อเก่งมากนะมันจะลื้อเรื่องเก่าๆมาเยอะมากเลยนะใช่ไหมอ่าดิ้งคนปฏิบัตธรรมที่อะไรเนี่ยมันจะลื้อมาเยอะนะอเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่าเข้าใจตรงนี้นัเราก็ไม่เป็นลื้อแล้วเราก็รู้เอามีความคิดอะไรขึ้นมาทําไงก็รู้เฉยๆนะอ่มีความคิดมาก็แค่ไม่ให้ค่ากับเขาแคนั้นเอง เราก็ไม่ไปโทษเขา้าเราก็ไม่ต้องไม่คิดหลวงพ่เทียบอกว่าไม่ต้องไม่ห้ามความคิดแต่เมื่อมีความคิดแล้วก็กลับมาเปี่ยนเป็นความรู้สึกตัวมานะอ่ารย้เฉยก็กลับมารู้สึกตัวก็คือรู้เฉยได้นั่นเองนะอ่าเช่นบางที่เราเราโกรธอ่าทำยังไงนะเวลาบางที่เราไปอยู่ต่อหน้าใครแล้วก็ดาลล่าเราเราโกรธทำไงนะอ่าเราก็กลับมารู้สึกตัวได้นะอ่าแต่ไม่ต้ไปยกมือตั้งยับต่อหน้าเขานะ แล้วก็อ า, อาจจะคลึงนิ้เวเบาข้างหลังเราก็ได้กลับมารู้สึกตัวแทนเราก็ไม่โกรธนะเพราะเรากลับมาเปลี่ยนจากความรู้สึกโกรธนะหรือความไม่พอใจที่เป็นความคิดกลับมารู้สึกตัว <S 2> <S 2> <S 2> นั่นเองนะเราก็ความโกรธก็น้อยลงนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนียเพราะฉะนั้นอสามารถที่จะเปลี่ยนจากความคิดมาเป็นความรู้สึกตัวได้นะบางทีเรายกมือสั่งวัานี้ก็ไปคิดไปเรื่อยๆก็กลับมารู้สึกตัวขณะนี้กำลังยกมือนะ ความคิดกระดับไปเนียอันนี้เปลี่ยนจากความคิดมาเป็นความรู้สึกตัวนะอันนี้ก็เรียกว่ า, ร, ารู้เฉยๆนั่นเองนะรู้เฉยโด ย, โด ย, โดยโอาศัยการเคลื่อนไหวมาช่วยให้รู้เฉยนะแต่ถ้าจิตมีกําลังแล้วนะอีกหน่อยเราไปทํางานทําการข้างนอกออกไปเที่ยวข้างนอกนี่บางทีเราอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่พอเรากระทบอารมณ์ปั๊บเนี่ยอ่าเรารู้ว่าขณะนี้กํลาลังเริ่มโกรธแล้วนะเราจะทําอย่างไรก็เราก็รู้เฉยๆนะรู้เฉยก็คือไม่ไปให้ค่ากับ ความคิดเหลือลมเหล่านั้นนะเราไม่เคยโทษเา้าเอออย่ามาดา่าเราแล้วนะเราห้ามเขาไม่ได้หรอกบอกเออถ้าไม่มีใครดา่าเราเราก็คงไม่โกรธมั่งนะอันนี้มันไม่จริงนะมันที่เราคิดเองแล้วก็โกรธเองนะเพราะเราไปห้ามใครไม่ได้แต่เราสามารถที่รู้ทันอารมณ์เราได้ขณะนี้เรามีอะไรเกิดขึ้นในใจเราเร า, เรารู้ทันได้แล้วเราก็รู้ทันแล้วทําไงก็รู้เฉยก็คือไม่ไปให้ค่ากับสิ่งที่เรารู้ต่อไปนั่นเองนะ เพราะนั่งหลวงม่อเทียนยังบอกให้รู้เฉยหรือรู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆนะให้รู้ซื่อก็พอแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรดับทุกอย่างนะอความคิดก็รู้เฉยๆก็พออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นความรักความชังความโกรธก็รู้เฉยก็พอแล้วะรู้เฉยในเขาจะดับหรือไม่ดับก็ไม่เป็นไรอีกนะเพราะบางทีเรารู้แล้วในอยากให้เขาดับไปความโกรธไม่ดีอยากโกรธนะต้องดับไปเดี๋ยวนั้นอันนั้นเราไม่ได้รู้เฉยๆแล้ว อันนั้นเราไปผักใส่เขานะผักใสแล้วเขาในเป็นโทสะอย่างหนึ่งนะคือความไม่พอใจอ่าก็เลยไปผักใส่เขาอันนี้เป็นเป็นโทสะไม่อเรีนรู้เฉยเฉยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เฉยเฉยจริงๆอ่าเขาด่าเราแล้วเราโกรธก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันไปโกรธก็โกรธไปอ่าก็แค่เรารู้เฉยเมื่อเรารู้เฉยเขายังใจเรายังโกรธอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็อ่าก็ช่างมันไปอ่าเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัใจไม่ใช่เรา นะความโกรธก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วนะ อ, อ่อมันไม่ใช่เราโกรธแต่ว่ามันเกิดตามเหตุตามปัจจยัยพอเราไม่ให้ค่าเข้ากระดับไปเองนะแต่พอเราไปให้ค่าโอ้โกรธเราโกรธปุ๊บมันอยู่นานเลยนะ อ, อ่าแต่เราเข้าใจตรงนี้มันก็วางเร็ว เ, เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วความโกรธก็เกิดตามเหตุตามปัจจยัยแล้เขาก็ดับตามเหตุตามปัจจยัยนั่นแหละเราก็ไม่ไปทุบ ก, กับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะตรงนี้เราจะกลายเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เป็นนะ แต่ถ้าเมื่อเราโกรธเรารักเราชังเราพอใจแล้วไม่พอใจเมื่อเราไปให้ค่าไปให้ค่าอะไรเข้าก็แล้วแต่อันนั้นก็คือเราไม่ได้รู้เฉยอันนั้นมีตัวเราเข้าไปแสดงนะอกลายเป็นผู้เป็นแล้วไม่ได้เป็นผู้ดูเฉยไม่เป็นไม่ได้เป็นผู้รู้เฉยเนี่ยเราก็จะเป็นความทุกข์ในตรงนั้นนะเพราะในเมื่อเรามีกําลังที่จะเห็นความคิดแล้วนะเราจะทําอย่างไรต่อไปก็คือเราแค่เข้ารู้เฉยเท่านั้นเองไม่ต้องไปแกแฝงเขาไม่ต้องไปห้ามความคิดด้วย ไม่ต้องไปห้ามความโกรธไม่ต้องไปห้ามความรักความชังเมื่อรู้เฉลยแล้วเขาจะอยู่ไม่อยู่ก็ปเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไมไม่ใช่หน่าที่ของเรานะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองนะีน่ยมันก็จะค่อยๆวางจะต้องนี้จิตจะค่อยๆไปวางได้เร็วนะจิตค่อยค่อยๆที่คลายความยึดติดต่างๆได้เร็วขึ้ น, นเกิดการคลายออกของจิตในการที่จะเห็นว่าเออความคิดเข้ามาแล้วก็ไปนะเขาไมไ่อยู่กับเรานานหรอก เข้ามาแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นเราจึงบังคับบัญชาเข้าไม่ได้นะเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามลพวธรรมอ่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองนะพอเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเนี่ยจิตก็จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะมันก็เป็นการปล่อยวางในตัวตัว เ, เองไม่ใช่เราไปอยากไปปล่อยนะมันก็กนยังก็เห็นอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราทั้งหมดมาแล้วก็ไปไม่ใช่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ของเรานะ สภาวะอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการรู้รู้ตามความเป็นจริงอ่เพราะฉะนั้นอย่างที่ใน อ, อนริยสัจ4ี่บอกว่าทุกตัณสิ่งต้องรู้นะไม่ใช่เรามีหน้าที่ละแต่ทุกนี่เป็นสิ่งที่เรารู้เท่านั้นเองเราไม่มีหน้าที่ไปละความทุกเหล่านั้นนะความทุกเหล่านั้นก็เกิดจากอารมณ์ต่างๆนั่นแหละนะอารมณ์พอใจไม่พอใจ ความรักความชั่นความโกรธความเกลียดความอิดฉ้าความหึงหวงความน้อยใจความเหงาความเครียดความกลัวพวกนี้คืออารมณ์นะอารมณ์ต่างๆก็คือนําความทุกข์มา้เราทั้งหมดนะเราก็ไม่หน้าที่รู้ก็เฉยๆเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปกําจัดเขาแล้วก็ไม่ต้องไปคอยหยวกเขานะรู้เฉยแล้วก็พอแล้วนะอ่าน่ยมันก็ตรงกับที่ในลิทธิศาสตร์เซนิบาทุกนี่เราก็มีหน้าที่รู้เท่านั้นเองไม่ต้องไปอยู่กับเขาอ่า จา ก, การละลุยใฉยเนี่ยเขาก็ตั้งไม่นานแล้วเขก็ไปเขาก็แสดงพระไตรลักษณ์เราเห็นแล้วว่าเขาก็อยู่กับเราไม่นานเขาก็ไปนะแต่ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราเราก็บังคับบัญชาเข า, เาได้นี่ยเขาจะอยู่กับเรานานเลยนะเขาก็ไม่จากเราไปไง่ายๆหรอกเนี่ยเพราะเราไปให้ค่ากับเขาแล้วนะเพราะงั้นการที่หลวงพ่อเทมยนบอกว่าให้คู้ซื่อๆนี่แหละมันจะเป็นประเด็นสําคัญเลยนะเป็นเรียกว่าเป็นประเด็นที่ว่าตรงเนี้ยถ้าใครมาถึงตรงนี้ละมันก็จะเข้าใจในธรรมาหลวงพ่อเทียนได้มากขึ้น หรือที่เราความเขียนบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือตรงนี้นั่นเองนะก็คือมันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันมันเป็นอะไรก็เป็นของมันไม่ไม่ได้ของเราก็คือไม่เป็นอะไรกับมันนะตรงเนี้มักลายเป็นผู้ดูไปนะผู้ดูไม่เป็นผู้ไม่เป็นผู้เป็นนะมันก็กลายเป็นว่าเราจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามสภาวะของเขาเองนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเห็นรูปเห็นนามแล้วนะแต่จะไม่ใช้คํานี้เพราะเดี๋ยวเราจะงง แต่เราเห็นว่ากายวาใจไม่ไม่ไม่ใช่ตัวในตนของเรานะั่นแหละก็คือการเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงแล้วนะว่าเป็นสภาวะที่เราไป บ, าาบังคับบัญชาก็ไม่ได้เลยนะอ่าเขาแสดงความไม่เที่ยงนั่นแหละแสะดงว่าเราบังคับก็ไม่ได้แล้วถ้าเราบังคับก็ได้ก็มีความเที่ยงอา่าเมื่อวานเราปฏิบัติธรรมโอ้มันมีสติทั้งวันเลยนะมันมันไม่ค่อยหลงเลยแต่วันนี้มันหลงกับทั้งวันวันนี้แม้ก็มีสติไม่ค่อยมีความรุบตัวนั่นแหละเขาแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นแล้ว พอเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นั่นเองนะแต่ถ้ามืวันก็ดีวันนี้ก็ดีวันต่อไปก็ดีดีทุกๆวันเลยอ๋อในมันแสดงว่าเราบังคับบัญชาก็ได้แล้วนะอ <c oughs> เราก็จะไม่เห็นความไม่เที่ยงในตรงนั้น <c oughs> นะเพราะฉนั้นปฏิปธรรมไม่ต้องกลัวความที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ดีไม่เป็นไรนั่นเขาแสดงพระตัยรักเราเห็นแล้วอถ้าเราเห็นพระตัยรักแล้วเราเข้าใจเขาเห็นความจริงตรงนี้อันนี้ก็คือเราเกิดปัญญานในตรงนี้แล้ว ก็ปัญญาในการจะเข้าใจสภาวะตามควา ม, มนจริงในความที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปความไม่ตัวในตนและจิตจะค่อยๆปล่อยวางสภาวะทั้งหมดทุกอย่างได้เองน ะ, ะการปฏิบัติธรรมนี้นะมันจริงเป็นการที่ว่าเราให้เขา้าเห็นความจริงในพระไตรลักษนณะ์พะพอเห็นความจริงในพระไตรลักษณ์แล้วก็จะเกิดวิราคะขึ้นมาก็เกิดการคลายออกอาจากการยึดติดว่าต้องได้อะไรในการที่ว่าปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทนำะให้การว่ามันจะคลายออกไปเลยนะ ก็คืออะไรก็ได้เกิดขึ้นมันก็รู้เท่านั้นเองมันก็ปล่อยหมดมันไม่ได้มีความต้องการว่าไปบันแล้วต้องได้อะไรต้องบรรู้อะไรนั่นก็คือตัณหาก็คือภาวะตัณหานั่นเองนะแต่ว่าจิตมันจะเกิดการคลายออกคือเวลาค่ะมาเกิดเวลาค่ะมันก็จะเกนดนโรธาโจรโภพนิสสะโภมุตตินาโยตามมาก็คือการที่ทําให้ตัณหาใม่เป็นที่อาศัยนั่นเองนะเพราะตัณหาก็จะเป็นการดับในใจของเราเมื่อดับตัณหาได้แล้วนั่นก็คือนิโรดนิโรกก็คือการดับตัณหานั่นเองเนาะ อันนี้ก็คือเป็นความดับทุกข์นะนิโรธคือความดับทุกข์นิโรธ ก, ก็คือความดับทุกข์เมื่อเราสามารถดับตัณหาได้แล้วน ะ, ะก็จะเกิด น, นิโรธในใจของเรานั่นก็คือความสิ้นสุดแห่งทุกข์นั่นเองนะ่ะเพราะฉะนั้นการบฏิธรรมก็คือให้เราถึงนิโรธนั่นแหละอ่ามันเป็นหนทางที่มันไม่ยากนะอ่าแล้วก็ไม่ง่ายนะอยู่ที่เราเข้าใจวิธีการไหมพระอรหันต์พระเทีนจึ ง, งบอกว่าให้เวลาน่าไม่เกินสามปีนี่เราก็ถ้าเราทำํำในถูกทางเราก็จะเห็นว่าใจเราเนี่ยความทุกข์ก็จะลดลง หรือจะหมดเปนในที่สุดน ะ, ะเพราะนั้นเราก็อาศัยความเพีชืายรรยา น, นี่แหละให้เข้าใจในวิธีต่างๆแล้วเนะี่ยเราก็จะเข้าใจที่หลวงพ่อที่ได้สอนไว้นะในท้ายสุดนี้ก็ขอทุกท่านเข้าถึงในโลกได้ในชาติปัุันทุกท่านเถิ